50 languages. 29 e n t y At the. r e s า a u r a n t Restaurant. Restaurant. r e r a n t r e n n t n t Restaurant. e n t u r e t n n a e e a a n n r a n n กรุณคมีคุณมีอะไรแนะนำไหมคะตัซีกีสฟาร์ชการ์สักีดิฉันขอเบียร์ค่ะเมนูเอบีใจดีเดิฉันขอน้ำแร่ค่ะเมนูเอ็กมินเรลวดดิฉันขอน้ำส้มค่ะ เมนูเอกสันเตรดารสชาติหิดะเดิฉันขอกาแฟค่ะเมนูเอกกาแฟชัยดีเฮดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะเมนูดุดนัลเอกกาแฟชัยดีเฮคารุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะคริปปะการ์เกชักก์เร ดิฉันขอชาค่ะเมนูอีกชาชัยดีเหดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะเมนูนิมบูนัลอีกชาชัยดีดิฉันขอชาใส่นมค่ะเมนูดุดนัลอีกชาชัยดีเคุณมีบุหรี่ไหมคะคือตัวเดโคลสิเกร คุณมีที่เขียบุรีไหมคะคิตูฮาเด้โคลล์ราคดานีคุณมีไฟไหมคะคิตูฮาเดโคลสุลกนดลุจดิฉันขาดซ่อมคะ่ะเมเรโคลลานตาไม่เดิฉันขาดมีดคะ่ะเมเรโคลชุรีไม่เ ดิฉันขาดช้อนค่ะเมเรคโอลชัมช้าไม่ใช่